ธาศีลกัตถสัพพกัตถอธินามกัตถเนธธรรมกัตถเราเทศไปกระทังปีกระทังชาติก็ให้มันอยู่ในกลุ่มนี้นที่นี่ก็ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นตน้นเป็นตน้นเป็นต้นต่อกัน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 มันแยกอไปหลายอย่างเนาะ่เป็นโยมเมืองไทยเลยนนี <ç iy Podcast> <S <S ่เป็นโยมเมืองไทยเลยนี่ใส่ผ้าถุงแะเป็นโยมเมืองไทยอ๋อ มาคราวนี่รู้สึกว่ามันมน่ารื่นเลยนะ น, น, น่ารื่นคืออย่างคราบมวลสนุกเบิกบานการสัตย์ไทยมันมากเกินไปเนาะน่าลื่สนุกชื่นใจเบิกบานอะไรตัางต่างน่าลื่ไม่ทุก สาจารล์าดวมวนมวลใครต่องกลรวมนักเทศอารันยโปกิตเซโรอนันโทวิรัตโมสุจิโต ท, ทุกคนไม่คิดไปในในใ น, ในทางเดียวกัน <c oughs> คือคือคนคนที่นี่มันมันสับสนมากอยู่แล้ว <c oughs> เข้ใจหมน่าต้องมองทุกคนมันสับสิเหนีแล้วมันก็เอาเราอันี้บาอันนี้บางมันยิงบุ่นเหงาไเปะบอกว่าอันนั้นเอาไว้ก่อนยังจะไปบอกเขาทิ้งนะเขาทำาเท่งเท่งอย่าไปวายอย่างนั้นเอาอันนั้นเอาไว้ก่อนอันนี้ทำนี่ดูก่อนทำอันเดียวก่อนอย่าไปพูดอย่างไงคนแก่ทาสวนนะแย่งบึ้ม อันนั้นเขาดีกว่าไม่พูดดีอยู่เตีเขาพูดว่าไม่ไม่เป็นพูดไม่ฉลาดอืถ้าผมพูดก็ไม่เป็นไรพูดคําเดียวกันเตี้ผมพูดเขาดีใจคนแก่คนเฮ้ยหยุดเด้อไม่หรอกระทบกระทบดีแกพูดดีอยู่เตี้ยผมพูดไม่เป็นพูดไม่ฉลาด ไหมยังมีโทเป็นอย่างนั้นครับเ้าพูดถูกถูกดาวันไม่พูดไปแก่ไมนยอมไม่เรียกไม่อยากรับนั่นแหละไม่ทราบไม่มีอุบายการพูดใช่ไม่มีเทคนิคอู้ ไม่มีเทคนิคในการพูดเทคนิคในการพูดคือการก่อสร้างผมก็ทำได้แต่ผมไม่มีเทคนิคในการทำไม่สวยไม่ดีไม่เท่าเนอย่างนั้นผมก็พูดได้ใครก็พูดได้แต่พูดไ้งมีเทคนิคต้องมีเทคนิคนี่จักเนี่พูดคำเดียวกันก็เกิดประโยชน์บางทีคนพูดคำเดียวกันเกิดโทษเลยนะ อย่างที่เขาฝึกไปหลายอย่างแล้วก็เนื่อของฉันดีนะอย่าพึงว่าของฉันดีของเธอนั้นไม่ดีอย่าอย่าไปว่ากันนี่มันสับสนอยู่แล้วมันสับสนอยู่หลาัวเขามันสับสนอยู่แล้วหลายอย่างอะไรเงี้ยพวกไปพูดอย่างนั้นก็พูดอย่างคนอย่าไปไปกันไปก็เป็นประสาทอะไนั้ แต่ว่าอข้องคุณก็อย่าเพิ่งทิ้งมันเถอะเอาไว้ีก่อนบัดนี้มาทําอันรรนี้เราตร้องค้นหัวยามสอนทางเดียวกันเช่นสอนอนาปารสตินีะก็อสอนอนาปารสติอย่างเดียวกันพิจารณาร่างกายคำโน้มนุ่งให้ใจทําิติป็นธรรมนิยางเดียวกันช <c oughs> <c oughs> ุมโทไปเทศก็ไปเน้ํานองเดียวกันแอกไปทํานองเดียวกันทานองเดียวกั น, น, กนคนนั้นจะมารวมทีเดียว เมื่อดูจักที่อันเดียวเดียวได้หลายที่มันรู้จักมันเองเนาะรู้จักมันเองมันจะรู้จักมันเองแต่บอกได้ได้อย่างมันมันไม่รู้จักทีเดียวบอกที่เดียวชัดเจนไดหลายที่มันรู้จักเองมันอย่างคริสมันมันพูดวันนี้นะคาเดียวกั่นั้นน่าฟัง บันหลังจะไปพบกันอยู่ที่ ป, ปรมมตธรรมเห็นไหมพูดคำเดียวเท่านี้พอละมันฉลาดพูดคนฉลาดพูดเราจะไปเรียนรู้อะไรต่างๆก็ช่างมันเถอะถ้าไม่มีปรมมตธรรมเมื่อไ <c oughs> ม่มีธรรมในใจไม่ได้พบกันเนชะ่น <c oughs> ว่าสุเมโตสอนผมอย่างนี้นะ เนี่ยต้องต่อเอาอันนี้ไปปฏิบัติที่ที่ซูมิทโทซอนผมอย่างนี้ผมรู้แต่รู้ยังไม่ถึงที่มันจะต้อง เ, เอาไปปฏิบัติแล้วก็อเมื่อปฏิบัติผลเกิดจากการปฏิบัติอย่างมันเป็นอย่างนั้นเราจึงแต่งิมซูมิทโทอยู่ตรงนั้นอืตรงนั้นเป็นุูมิทโท ดูเจ็บกินช่วยโทรไปเกณฑตรงนั้นเพราะท่าสอนอย่างเพราะมันเป็นอย่างนั้นผมแสดงถึงเรื่องพระพุทธเจ้ากรรมกิจผมเรียกพระพุทธเจ้าตรงนั้นตรงที่ท่านสอนนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจะเปรียบพุทธเจ้าตรงนั้นก็าสังงเขาเลยบอกว่าพระพุทธเจ้าท่าสอนอย่างนั้นจริงแต่สอนอย่างนั้หรือเปล่สอนจริงแล้วมันเป็นประดามัดการทำ คือมันไม่เห็นที่ของฝากเขานั่นลูกแอปเปิลลูกนีน้เรามองด้วยสายตาเราเราเห็นลูกแอปเปิลเนี่ยเนื้อแอปเปิลลือกแอปเปิลเท่านั้นวิสัยเราจะต้องเห็นวิสัยเราที่จะฟังดูขนาดนี้แต่รถแอปเปิลนั่นเรามองดูไม่ทูกจัจหรอกแต่มันมีอยู่งน่ น, น้น มันจะรู้จักเมื่อไรมันจะรู้จักเมื่อเราเอาแอปเปิลมาทานต่อไปจะรู้จักว่ารถแอปเปิลมีอยู่ธรรมะที่เราสอนไปก็เหมืนอนลูกแอปเปิลแต่เขายังไม่รู้จักแอปเปิลอย่างแท้จริงเมื่อเขาเอาไปปฏิบัติมันรู้จักรถของแอปเปิลเกิดขึ้นมาโอ้จริงลูกแอปเปิลไม่สามารถจะมองเห็นด้วยตายอย่างนี้ฟังธรรมมันสามารถที่จะมองได้ยินโดยหูแล้วเห็นด้วยตายไม่ได้ โอ้อยู่แต่มันยังไม่ถึงมันแล้วเอาไปปฏิบัติี่ปัญญามันเกิดเห็นเช่นนั้นขึ้นมาอีนี้ก็จึงจะรู้จัดปาเออประมัตตธรรมจึงจะเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอันนี้มันเป็นธรรมลึกซึ้งพ ม, มเรียบูกแอป เ, เปิ้ลนี้เขาฟังปากไอ้ฝากไอ้กระคริษ เราคิดตรงนี้ก็าบอกโหดดีเหมือนกันบ้านนั้นไปพระข้าไปวัดกับพระไปทีท่ไห้หม ด, นะดมนนนเนี่ยขาดตับบ้านหมดแล้วสิบมดโค้ดแอปเปิลในกิจเตจโรฟังนะ่นเองเก๋จะไม่คุยกันนะต่อไปไม่คุยกันนะอันนี้ก็ไปอีกอย่างนึงไว้ พอเคยจนแล้วอืออืดีเข้มเขมเข้มกว่าดีหวานกว่าดีเรียบกว่าดีดีวะมีอะไรกระโจดกันจะดิทุกคนเดยวจะไม่มีเวลาพูดกันนะซึ่งมีโทรก็จะหมดสิ่งที่จะพูดดลมันง พระเจ้าเนยพระเจ้าเป็นอย่างไรนิพพานเป็นอย่างไร ม, มันมันบางคนก็คือพระพุทธาศาสนาเป็นทางหาหา อ, อศูนย์เปล่าไม่มีมทำลายโลกไม่ให้มีโลกเลยนะ อ, อย่างนั้น ม, มันเข้าใจยังไม่ถึงครับ มันเข้าใจไม่ถึงกลัวของมันจะหมดกลัวโลกจะหมดกลัวอะไรจะหมดสูญปล่าหวัง <laughs> เขาเสียดายรอ้องไห้นี่เป็นไหมูมันไม่สูญในบาน้านหลังนี้จะคองอยู่แกเก็บของอยู่ว่าห น, นูหนไห มันไปศูญนี่ไหมมันเนือศูนย์หรือเปล่าแล้วเอาเก็บกันไปเผาไฟนุ่นกองนี่กองบังหายวันนึงดีก็รวยชั่ววันจะหายทำไมมันจะศูญเปล่ามันทุกไหมนี่มันคนทุกเหรอไหยคือคนคนไม่รู้เรื่องว่ามันบ้ามันศูนญไม่รู้จักไม่รู้จักก็ไม่สบายใจ คือมันไม่มองดูตัวสักแต่วันมันเกิดมาไม่มีใครสอนมองดูตัวจะมองที่ไนกันรู้เรื่องนี้ไม่ให้มันหลงแต่เหมือนคนเป็นอยังไงเมือเมื่ออันนี้เราถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเะไรอบบนี้มาใช่ของเราเถอเถียงจนตายนะนี่นะนี่นะพวกคนที่จําถึงอย่าง บางทีมันเบื่อครบรั้งแรกโบางทีนอนกลางคืนมาเนื่องจากเอาตาบ้าตาพายหนีมันยากทุกีดทุกหาดวุ่นนึกรื่งทามาแล้วไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ถ้าเราม่สอนคนอย่างนี้เราจะไปสอนใคร ครับไม่นี่หยอถ้าเป็นอย่างเงินผมจะต้องถามว่าถ้าใจเราเป็นเงินนะใจผมเป็นอย่างเงินผม ม, มันอยากจหนีไปคนเดียวนะว่าไม่อยากเบือ่อเราจะไปสอนใครถ้าไป่สอนคนหลงนะไม่มีทางไปเหมือนกันตัวเราคิดอย่างนี้จะดูสิไปคนเดียวอนะันี้มันก็หลงแลนะ้ว แบบว่าเราดีเป็นเป็นปัะเทกบฏบดีครับเป็นประเทกบฏบดีอยู่ดีพระบัจจิกาพุทธท่านไม่ทุกนะเราทุกอย่างจนจีนี้ไปเอาได้จะเอาเอาเอกเอาตามันตามทำเป็นธรรมดาหรืทำเป็นจริงแหวนลอมทำให้เป็นภาะปัจเจกก็ได้ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่เป็นได้เลยทุกวันนี้ก็พวกเราก็เป็นพระปเจิกมันได้เราเป็นแหว่รอบไม่ําเนินไปเราเป็นพระบางทีมันมันมันอยู่สถานที่มันก็ได้บุญบายก่อนก็พคตกันยังไงในบางทีก็เป็นพระสัพพยุททา เดาแต่อาการบางทีก็เป็นพระประเจก <c oughs> พูดถึงเรบพระมันพูดถึงเรื่องอิฐนะไม่ใช่ ว, ว่าเกิดมาเป็นพระประเจกนี่นะมันเป็นปุคคลติฐานอยู่เล้อย่างนั้นคือเป็นพระประเจกเราไม่สอนเฉยก็ดมันไม่เกิดประโยชน์ถ้าเรไม่สอนนี่มันไม่มีอะไร <c oughs> แต่ว่าคนที่จะสัสอนไายมันก็เกิดเป็นประโยชนกระทาขึ้นมาอีกเนาะสอนเราอีกได้ อย่างเงี้ยเทียบเทียงอย่าไปเป็นอะไรเลย <c oughs> เป็นพระพุทธเจ้าก็นบากเป็นพระปฏิเจรอย่าไปเป็นท่าขึ้นมาเป็นเ น, นี่มันลบากอย่างเ้ยอย่าไปเอาเป็นเลย <c oughs> ถ้าฉันเป็นพระสุเมตโตถ้าฉันเป็นพระอนั น, นโต ท, ทุกทีอนั น, อ น, นโทก็ไม่มี สุบิโทประมานีอ้าวสุบิโทแบบนี่สมุดเฉยๆเจ็ไใจไหมถ้าเป็นจะเป็นทุกข์เลยเราว่าให้ก่อนทำชุบิโทชุบิโทก็โกรธอันันโทก็โกรธถ้ามีทาเอาเอาอันั้นโทเอาสุบิโทเป็นทุกข์ ถ้าอันทงโทรไม่มีก็อื่อในโทรไม่มีเลยก็ไม่มีใครไม่มีใครรับโทรศัพท์ไปกิงกริ๊นี่มันไม่เป็นอะไรก็ไม่ไม่ทุกข์นี่มันเป็นอย่างนี้แต่เราเป็นอยู่โทรศัพท์มันก็กิ๊งไปกริ๊งไป เป็นคนทําบนเาปเป็นทุกข์ทำไมจะไปเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้าจะต้องสราปัญญาให้เกิดทำที่เฉยทําอย่าให้มีซูมิโตอย่าให้มีอนันโทเลยรับโทรศัพท์ถ้าเราเป็นุูมิโตะอนันโทไปรับโทรศัพท์เป็นซูมิโตทุกข์อย่าเป็นซูมิโธอย่าเป็นอนันโทมัเป็นไปเนี่ยเป็นเตียนสมุดกันที่เฉย เล ย, เลยมไม่เป็นไรครับ<ม>เขาว่าดีก่อนเขาว่าดีก่อจะเป็ี่นมันเขาว่าชั่วก่อนจะเป็นมันแต่เรารู้รู้รอเอาไม่รู้ก็ไม่เอาอีกหมดนะคนมันทาไม่ได้มันไม่รู้จักก็บทฟังมันึงอะไรต่ออมันมันมันมัน ผมเคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนนี่มีข้างล่างมีข้างบนนะเมื่อมันตกลงมาข้างบนมันมันมาอยู่ข้างล่างมันดูมันเราอยู่ข้างล่างก็เห็นข้างบนเมื่อมันขึ้นจากข้างล่างไปทึงข้างบนมันก็เห็นข้างบนระยะนี้มันไม่เห็นนีกลางกลางแยกกว่าพระนิพพานนี่มันไม่เห็นนีมันเห็นแต่ตัววัดมันเห็นแต่ตัวยึดยึดข้างบนยึดข้างล่างพบชาติ เมื่อเกิดแต่พบไอ้ที่ไม่มีพบมังว่างมันไม่เห็นเราสอนคนเนี่มันเห็นที่มันว่างมันว่ามันไม่มีอะไรตัมันไม่รู้จักนี่มันยากอย่างนั้นนั้นต้องอาศัยการปฏิบัติจรงจังก็เพราะว่ามันมันอาศัยพบอยู่อาศัยตัวอาศัยตนเมื่อแต่วันเกิดมาแล้วไปพูดวไปมันมันมีตัวมีตัวมันก็แปลกมันเปลี่ยนเปลี่ยนสัญญาไม่นะ้จะต้องทําิจเนี่ยมันเห็นจมปฏิบัติ คุณจริเชื่อโอ้อะไรนั่ถูกอย่างนั้นถ้าเขาอันนี้คล้องฉันของฉันเนี่ยก็ดีใจเราแต่ว่าเมื่อของฉันมันหายไปก็ร้องไห้เป็นมานึ่งีมะอันนี้เป็นทางที่ทุกเกิอดอยู่แล้วเราต้อมองเห็นถ้าหากว่าเราไม่ไม่ไมใช่คล้องฉันก็ฉันก็ไม่มีคล้องฉันก็ไม่มีอย่างนี้เราก็ใช้ไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่แล้วนะไม่อุปทานมันมันหายก็าหายไปเราหายก็หายไม่มีเขามีเรา แต่ว่าไม่ใช่คนเป็นบ้านะคนขยันคนตรงนี้รู้จักประโยชน์ตลายอย่างแต่ว่าคนเียร์นะถ้าเป็นคนอย่างนั้นก็เป็ ค, คนคนเป็นอกุศลกำมองเห็นซ <c oughs> ูมิโทะมองเินคาราวาท์าเขาโง่เป็นเด็กน้อยคาราวัท์กำมองเป็นซูมิโทะเสียคนแนะอะไรก็มีเอามีเอากับเขาเรารีกว่า นี่นะพูดอย่างง่ายพาระอรหันต์เจ้ากับคนบ้านี่ค่ายกัน <c oughs> นะพิจารณาดูดีคนไปเห็นบ้ า, ด, า, าดีใจังราะดจากแบบบ้าด่าก่เชยแล้วถึเชยบ้าใช่ไหมนี่แต่แบบบ้านน่ะรู้อยู่ ไอ้บ้าจริงๆนั่นมันดา่ามันก็ไม่รด น, นมันไม่รู้ถ้าดูอาการก็พระอรหันต์กับกับกับคนบ้าเหมือนกันตําที่สุดก็เป็นบ้าสูงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์เนี่ยจำที่สุดก็สุงที่สุดนี่เหมือนกันเราไปดูจำนักสินนะแต่ความรู้สึกไกลกันมากฉะนั้นคนไปพบพระอรหันต์กับกับคนบ้านม่แปลกกัน ตดูดูไปที่ดูไปก็ได้จะทำเป็นอย่างนั้นเ้าโกรธให้น้าจะโกรธแล้วก็เห็นว่าแล้วปล่อยวางเขาบก็่าบาาใช่ไหมแค่นั้นเดี๋ยสิ่งทั้งหลายนี่มันสอนคนอื่นไม่รู้จักหรอกมันต้องเป็นปัจจจตังจริงจริงรู้จักคนมันเห็น ขึนมาเขารักสวยหลักงามนีนในเมืองนี้นี่เขาทาปากทานี่มันรักสวยหลักงามเออมันนี่ไม่สวยนี่ไม่ได้เนี่ยแกไม่พอใจตายเหม่ยวอย่างนี้อแต่คนทังไงยันได้ไหมี่คือเขายังไม่รู้จัก เราเขายังไม่เชื่อเราเราจะไปโทษเขาไอคารานี่ไปเปลี่ยนกับของไปแลกเปลี่ยนเงินเขาไม่เอาของเรา่อเลยของเราราคาไม่ดีขเขาเก็บ ไ, ไม่เอาถ้าของเราราคาดีที่สุดนั่นก็เอาเอนั่น น, นี่คนไม่เชื่อเราทำไมเพราะปัญญาเรายังไม่ดีต้องปรปับปรุงอย่าไปโกรธที่เจ็บเขาเลย อบ่วางว่าอย่าไปว่าเขานีิมันว่าอยู่นี่เละต้องสอนตัวคนนี้มันดีมันเห็นว่ามันดีถูกต้องดีขึ้นก็เอาแต่ละคนบางทีไปสอนเขาไปสอนหลูกสิทธิ์อย่งดังบางทีหลูกสิทธ์เชื่ออาจารย์ก็เสียใจมันต้องเสียใจแต่เมอคนกลัวรู้เราอีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้น ของเรามีราคาน้อยกว่าเขาจึงเอาถ้าเขาเรียนเราของเรามีของเรามีราคามากเก็อเอาแลนะ้วนั่นเองถ้ามันอยากโกนให้ทุกสิทธิทางคิดอย่างนี้นาะเดีย๋ยวก็อีกหนึ่งปั๊บปูขึ้น <c oughs> <c oughs> พูดก็ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่รู้จ่างมดทุกคนนะี่นาะ ในส่วนที่เาพูดกืดสิทธิพระพุทธเจ้าของเราถึงตั้มตาตั้งสอนเบ็นแนวเดียวกันใจมันตา่างแต่ลักษณะไม่สุภาพเสมอันอย่างนั้น แต่ท่านสอนให้ให้มีความกดทุกอันเดียวกันยังทำาสมมทันอันเดียวกันคนคนคนค น, คนชาวญี่ปุ่้มันมีของมากอยู่เนี่ยเอาไปให้มันมากมากเองก็ตายแล้วนะนักมันไม่รู้ประยาอะไรกันจะปูดอะไรไหม จะพูดอะไร้ก็พูดหรือมันไม่มีเวลาจะพูดนะต่อไปนั้นนะเดือนปฏิบัติของพวกเราเ า, เ า, ารเรกันยังไงทำยังไงด้วยหมดสงสัยแล้วหมดสงสยั ย, ยสเกิดเป็นพระปฏิจจเกิดได้ <c oughs> สวนโคตรเนีกยเขาขอยู่ประตูเว้นก็ะดิดบึุบกระคิดหรือเช้าคิดทริปรับไม่ชอบฟังเนาะใช่ร้อนอาทิตย์อาทิตย์ตาปริยายกรสูรตาปิดไปหูปิดไฟ ต่อไปวันหนาต่อไปมันจะเป็นนักเทศนะกิตติสรูถ้าเราจะต้องมันจะเป็นนักเทศต่อไปสอนผลพระอนันตเราจะเป็นนักเทศต้องเป็นนักเทศรอนันต์ไม่เห็นนะคือคือเรื่องถ้าเราตั้งใจ สอนคนนะนันก็สอนเราไปในตัวนะนะนใครเห็นด้วยไหมที่ผมว่าถ้าเราสอนคนก็เหมือนเราสอนเราไปในตัวเพราะฉลามี ข, ขึ้นคอมพิเทนณามีขึ้นครับเราเราสอนคนวันนี้ใหม่ๆม มันก็สงสัยนี่ทําไมมันเป็นอย่า ง, งานั้นเราเกิดความคิด เ, เกิดความคิดขึ้นมาเขาไปเห็นเนาราให้เราเพิจารณาหาเหตุผล <c oughs> สอนเขาเป็นสอนเราเป็นในตัวสอนเขาสอนเราไปด้วยถ้าเรามีามีธรรมทานมีสติอยู่อย่าไปเข้าใจว่าสอนเขาอย่างเดียวให้เข้าใจว่าสอนเราด้วย ว่ายัง้นไม่เสียเห็นว่าเนี่ยชาวโลกกำลังจะเข้ากันมากอื่งชาชากวันมันก็น้อยลงออกมันก็เห็นกันพลัดพรยนกันแต่บางคนก็เนี่ยนักข้อศึกาชื่อว่าต่อไปอีกสองสามปี โลกนี่ก็จะข อ, ของธรรมชาติเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นหลายอย่างจะมีความทุกข์มากคนพูดเราเนี่ยเป็นเป็นมนุษย์เราจะรับความทุกข์ทางทางธรรมชาติมผมก็ไม่รู้เหมือนกัน <laughs> แต่ก็เห็นว่าถ้าบางคนก็ถือในถ้าเราไม่มีสติปัญญาที่จะสู้ได้ก็จะ เป็นทุกข์มากนีถ้าเป็นคนที่อศาศัยความสะดวกสบายทางกายตลอดนั่นเลยในประเทศนี้คนอศาศัยแต่เครื่องจักรอา้ายความสะดวกสุขสบายทางกายเป็นมากนีต่อไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาตมันต่เปลี่ยนแปลงแผ่นดินกาวจะอะไรไหวหรือเป็นอย่างไรก็ไม่รู้เน ไม่ได้เป็นนอนแล้วลนะบนั่นไปโภดิ์ในคนทุกข์ครับถ้าเราไม่มีสติมัมาจะเป็นทุกข์มากนะนั่นก็พุทธเจ้าถึงสอนในปัจจุบันนี้มันระมาอีกสองสามปีเลยเมืองไทยเข้ามาถามผุ้งบัอุ้ยน้อข้อคอมมินิตเข้ามาจะทำยังไงอ้าวเข้ามาที่ไหนคอมมินิต คอมมิวนิสต์มันมีแต่เมื่อเราเกิดมาแล้วอัตมาไมได้คิดมากอย่างนั้นคิดว่าอุปสรรคนี้มันเกิดมาเกิดมานีคอมมิวนิสต์มันตายแล้วยัางนั้นจริงไม่ประมาทอันนี้เราอีกสี่ห้ปีมันจะเกิดอันนั้นอันนี้มันไกลไปนี่อีกสองสามปีเขาว่าเมืองไทยจะเป็นคอมมิวนิสต์อัตมาคิดว่ามันเป็นแต่เมื่ออัตมาเกิดมาแล้วคอมมิวนิสต์ต่อสู้คอมมิวนิสต์มนจนถึงบัดนี้ โยมยังไม่รู้จักอ่ะมันจ ร, าาริงนะโหราศาตร์กีสองปีสองปียังไงมันเอาอยู่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เรื่องเอาพุทธศาสตร์ใส่ตไไัวเตรียมเตรียมตัวไว้เรื่องของโรกประจังมันดีแลว้วอิสีปัญญาเราทําเดี๋ยวนี้ดีกว่าทํากรุงนี้มันไม่ดีกว่านั่นหนึ่งน่าจะรออีกสามปีสีปีแผ่นดินมันจะไหวนี่มัน ไ, วไหวดินี่เห็นไหมนี่มีดีกายิงไหหลาย คิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้วุ่นเนี่ยแผ่นดินนี่มันไหวเลยเล ย, ยังไม่รู้เรื่องจะเบ็ดแผ่นดินนี่มันไหวนานๆมันไหวทีหนึ่งแผ่นดินเนี่ยมันไหวอยู่ทุกวันทุกนาทีนี่ยังไปไปโทษแผ่นดินนั่นเลยแผ่นดินนั่นนานๆมันไหวทีห น, นึ่งล็อกเราเกิดมายังไม่รู้ก็มีเลยอันนี้มาเกิดครบขึ้มขนมามันล่องมันไหวแล้วเป็นดีนนี่ไม่รู้เรื่อง พรที่เจ้าเห็นเข้ามาเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ถูกโดยสักหนึนอมืมันเกิดเพราะเหตุมันกลับเพราะเหตุมัน น, นี่เราไม่ต้องตามไปโหราศาส ต, ตร์หรอกมันเป็นอย่างนั้นเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นใครมาถามผมทุกคนนะเจ้านาย เมืองไทยะไจะเป็นขมวนิชมอโอ้ยเป็นทุกเหมืองจะทายังไงเป็นขมวณิชอะเราเกิดวันจะทำงยงไงตะมาไมไดคิดมากอย่างนั้นคิดว่าเกิดมาวันนั้นขมวิตามมาเลยอย่างนี้แต่วันตะมาเกิดมาลยน่นี้เขอกไม่มีจะพูดหยุดนี่ใครจะบอกใบขมวณิชจะเกิดทีปีห้าปีนี่ พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เตรียมตัวใช่เดี๋ยวนี้เกิดมาแล้ว พ, พี่เจะน่าตั้งเตรีความเกิดมาแล้วนี่เรื่องใหญ่ายาประมาทแล้วเรายังไปดูโหร า, าศาสตร์สามปีสี่ปีนั่นเองโอ้ดูเรื่องมันไกลไปคนนั้นเอาพุทธศาสตร์นี่เดวนี้เดี๋ยวนี้ ว, นว่าอาดีตมันเป็นมาอย่า ง, งนะั้นอนาคตมันเปนทิ้งมันไว้ดูปัจจุบันนี้เหตุมันเกิดในปัจจุบันนี้ดูเหตุมันเท่านี้ ไปสอนเนะี่ยคนเป็นทุกข์าเทียบอย่างผมก็บกบ่ายด้วยมันแต่ว่าบางมันไหวสมัยก่อนเนยสมัยก่อนเนี่ยไอความเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีมาด้วย แต่มันมีตีละน้อยละน้อยมันไม่ปรากฏ ต, ตัวอย่างซุเมโโทเกิดมาครั้งแรกโตเท่านี้ไหมไหเกิดครั้งแรกโตขนาดนี้ไหมนี่มันเป็นทังไงมันเพราะความเคลื่อนไหว้ความเคลื่อนไหวดีไหมดีถ้าไม่ดีซุเมโโทมัน โ, โตขนาดนี้ความเคลื่อนไหว เราจะไปครอบครองเคลื่อนไหวอะ้รถ้าเราครอบครองเคลื่อนไหวคนเกิดเมา่อไม่โตนี่มันโตเมา่อครอบเคลื่อนไหวถ้าเราพิจารณาธรรมะไม่รู้ว่จะคิดย่างไงอีกดีเนอืมนั่นจะคอยว่าอีกสองปีมันจะเกิดดังนั้นันะ เรารอจะจะไปทําวันนั้นๆไม่ได้เนี่ยไปรอการรอเวลาเนียทำอย่างนี้ดีกว่าตรงนี้จิตใจประชาชนมันเคลื่อนไหวทุกวันเห็นไหมแผ่นดินเนี่ยดินน้ำไว้นมนี่แผ่นดินแผ่นมันเคลื่อนไหวแต่เขาไม่รู้อย่างมันไปดินเคลื่อนไหวไปมองมองดูแต่แผ่นดินอ่นนั้นข้างนอกมันจะเคลื่อนไหวอันนี้มันเคลื่อน กว่า น, นี้ชาโลกต่อไปนี่เนะืมคนแต่งงานกันอยู่กันปีสอง ป, ปีเขาว่าคนโง่แต่งงานกันเถ้าเกิดจะเดิกกันไปชีวิตหนังอีกมันเคลื่อนไปด้วยด้วยยดมันเคลื่อนอยูดีใจกับคนมันเคลื่อนอยู่เนี่ยนั่น เ, อนอเต้องดูทางโุทธศาสตร์เนาะดูพุทธศาสตร์นี่ก็าพบแล้วอืม ถ้าคนนี้เกิดมานี่ต้องพอจะไปไหนจะไปที่ไหนเนี่เราเกิดมาแล้วมันแก่มันเจ็บมันตายเราจะไปที่ไหนนี่ยก็อยู่อย่างนี้มันเกิดมาแล้วสู้ไปตนี้แกไ่แกไม่เจ็บมันายคนนี้มันเกิดมาจะอยู่นียู่เมืงไทยนี่นะจะอยู่ที่ไหนคนนี้มันจะมีกินข้าวหรือมันกินข้าวแล้วก็กินข้าวกันถือกลัวม เรื่องมันกระจุกมันมนผลไม่ดได้เดี๋ยวคนโน้นเป็นเงินเงนอย่างคนนี้ก็มุ่งไว้งซึ่งมีโทรรูปไหมอีกสองสามปีมันจะไหวอะไรดนี่นู้ไหมไม่รู้เหนัยนี่ไม่รู้เราอย่าไปพูดบรเดตรงนั้นเราฟังไว้เถอะนะเราพูดโดยตรงที่เรารู้จัก บอกว่าโยงไ่ถึงเนินท้องแต่มันเคลื่อนไหวมาแล้วอัตมากเกิดมามันไหวมาเรื่อยๆกันินนี่ทาให้ไว้อัตมาโตขนาดนี้หรอ <c oughs> คนเกิดมานะความคิดของคนเกิดมานี่คือเกิดออกมาอยากตายถูกไหม แก้วน้ำขนาดนี้นะเราเอาน้ำมาเทใส่แต่ไม่อยากให้มันเต็มเทใส่เรื่อยแต่ไม่อยากให้มันเต็มมันจะได้ไหมนี่คนเกิดมาเหมือนกัน<ม><ม>เกิดมาแล้วไม่อยากตายคิดยังไ น, นถูกไห ม, มถ้าามันเป็นเยียงอย่างนั้นเาง เกิดมาทุกคนแต่ม่ต้องตายกันนะยิ่งทุกข์มากกว่านี้ไม่ตายสักคนเนเกิดมาอยู่ในโลกโอ้ยพวกมากินขี้กันหมดจะไปตรงไะ่ <c oughs> นะเนาะนี่มันก็ะหน่ำแก้วนี่แหลเท่านี้มาเทใจเลยไม่ไม่อยากให้มันเต็มถันตายไห้โลกก็เป็นอย่างนั้นเราคิดที่มันถูกส่วนมันไม่มีนี่ไม่อยากให้มันตายนะแต่ มันจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าว่าใ้ปาร์ตนาเราเกิดมามันไม่ตา ย, ยาถ้าเป็นารรมตาธรรมถูกครับพระพุทธเจ้าอรรมตาธรรมถูจะธรามตาธรรมไหมครับนั้นไม่ตาย <laughs> ได้อยู่ตรงนั้นด้วยปัญญาไม่ตายไม่ตายไม่เกิดรธรรมดาธรรมมันไป่จบยุดตรงนั้น คนที่อยากเกิดมาสนุกกตไม่อยากตายมันไม่ถูกเลยแต่มันก็ต้องคิดยังนั้นคนเรายว ย, ยังงั้นคนนั้นเป็นทุกข์พระไม่ทุกข์ไม่จช่พระนี่น่ะพาะนี้ยังทุกข์ยกอยู่พระนี้ยังทุกข์อยู่เพื่อเป็นที่สุดของพระมันไม่เป็นธรมตั้ เป็นธมาธรรมธมดะธรรคือทางมันมีตายเนี่มันจะ ม, มีตายตมันเกิดมาจากท้องแม่ไม่ตายไม่มีตาย<ม>นอกจากมารุธธรรมะว่าอันนี้ไม่ใช่เรามาใเขาเป็นธรรตัาอันหนึ่ง<ม>คนจับคนตายเราม่ตายสังขารมันเปลี่ยนแป ล, ปลงไปตามธรรมชาติ กินไดอยากกันนะคนกิดไม่ได้เนาะต้องเลิอกออกจากพันยามันจะมีโทนกันได้ตรงนี้จากบัต น, นั้งน ใ, นใหญ่เดี๋วตรงนี้จากความเจริญในหลายเ่ย็นนั่นมานั่นเหมนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าท่านนายกภาษาดานตะวันท่านเลยเนพระพุทธจ้าเนาะทนออกมาตามต้บไม้ในป่าท่านเยเพระพุทธ้าถ้าอาศความสนุกสนานอย่างนี้อยู่ในภาาด้านวันแล้วไม่มีความใครว่าโงลาพว่าล่ะ คนเป็นหลายคนกับผูเช่ยๆเลยผู้ที่กี่วับมั่นสนบมึงเคลื่อนอยู่กับให้โถใครเราบางเคลือนทั้มคำไจะไม่ได้ยินหลายเป็นอย่างนั้นอยู่เล้อถ้ามันเป็นยางโหรศาสตร์จะไปอยู่ไหนะ จะให้คนทำอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะให้คนทํำยังไงโหรศาสตร์รที่รู้แล้วจะไปยังไงไม่มีทางมผมว่าอย่างพระพุทธเจ้าเนี่สอนดีดีจนคนไม่รู้มันมีหลายแต่พีานแต่คมเกิดมานู่นอันนี้โหรศาสตร์ก่อนี้าปีหกปีไปนูนพระพุทธเจ้า บอกเมืเ่อเทวันเราเกิดมันจะเป็นขี้ทนรุ่งก่อนอันนี้เราไปเห็นโรศปร่างแล้วอ่าปีแล้วจะต้องไปกลั ว, ว <c oughs> อะไรความไป็จริงมันเป็นมาแล้วเป็นมานานเมื่อเราเกิดมาเมื่อไรมันเป็นมาแล้วพูดอย่างนี้ก็มีใครเชื่อนเ <c oughs> ข้าใจไหมอะไรจะโบรูญญร้จักภาษาไทยไหม <c oughs> ห โยมโยมทายโยมกล้วนใช่โยมรู้ัจเพราะว่าถ้าหากว่าเราไปทำผิดกฎหมายสัอย่างหนึ่งแล้วสมมตินะอีกเกตบันเขาจะเอาไปประหารโยมจะคิดยังไงผมถามา <c oughs> คือเป็นคนมีโทษที่เขาจะประหาหเรเลยเนี่ยอีกเกตบันเขาจะประหาร อันนี้เราไปคิดดูที่เมาจยอดมาอีกเราทุกวันนี้ก็เป็นคนถูกประหารอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกอกี่วันบางทีไม่ถึงเกณฑวันก็น่าคุณรู้จักไหมว่าคนมีโทษถึงตายเขาจะต้องประหารไม่รู้เฉย ถ้าไปทำผิดกฎหมายเขาในในวันมึงเขาเอาจะไปประหารเจ็ดวันโอ้ยเสียใจหลายนี่มรณสติคือความตายจะประหารคนอีกอีกวันสองวันเท่านั้นคุณไม่รู้จักท่านเกิดท่านคุณเป็นอยู่สบายนี่ให้คุณคิดอย่างนั้นมันต้งองจะมีศรัทธาในการปฏิบัติธรรมะฉะนั้นท่านจึงให้นึกถึงมรณสติความตายเสมอ ในต t วตัวคน t I ยกลัวอย t ก b ะขึ้นอี u h t ้วทำไมมันจะมีงงเลยอ่าจะถูกฆ่าโดยการลงโ e ษใ e ่ไหม t ินย่าเป็น e ำถามถามใค A สักคนว่าพวกเขาจะทำอะไรใ a สัปดาห์นี้ที่พวกเขาจะถูกฆ่าในสัปดาห์นี้ Execute. <Thank> แต่เราตกเป็นสภาพของคนอย่างนั้นทุวันนี้แต่เราไม่รู้ตัวเราเราเปรยุ่สบายถ้าเรารู้ตัวปีนาวันนั้นสติปอดตายเฉาๆแล้วก็ดิ้นทำเพียนเข้าไเหมนคนตายงั้นทํามเฉยอยู่คนไม่รู้จัก <c oughs> ถ้าคนทำผิดกฎหมายอีกเก็ดวันเัาจะไปประหารจะนอนอะไร สัเวชาทีไปที่แก้ไขเปรี่ยบไหมพระฟันอยู่นะ้ น, นี่ไปแก้ไขตัวอไอเพลินอย่างนี้คือมันนิจไปพูดว่าคุณมีโทษยังไงนะยิ่งชอบใจคือวท่าทําทำไมมันจะไม่กลายจากพระธรรมละ่ะพระพุทองค์ท่นานบอกพิยน า, าานามนัสติเจริญม า, านนส่ิคือความตายเจริญธรไม ไว้ใจเขาไว้กับของข้าก็ทำให้ทำดีกว่าก็เป็นเงินกับไมยวยว่ากันฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า ครับครับชุกิโตอยู่นครถาวรก่นท่านทกรรมฐานหมทากรรมฐานนะทำกนองอยน้อ คำธรรอซงยุบนอพองนอก็ถูกาให้ใจก็ะถูกี้ทนี้พอเองวันให้จออกยุบเงวันจาพองเองวันแต่เรู้ตรงนี้ยุบนอพองนอคอยดูตรงนี้เราดูอนาสติราะูตรงนี้ ใจออกไปมายุบห้ยใจกมันก็พองประเมินกันไม่ต้องสงสันมามันถูกจะดิตอะไรแล้วก็เอาจ้ะเราพองมันถูกกินมันจะพองเอาเราจะดูนี้มันยุบเองมันห้ยใจเขามันก็พองลมออกมายุบเราจะดูตรงนี้ก็ได้ ให้ใจออกใกญ่ข้าวเราอยาดูตรงนี้ก็ได้ตรงไหนมันถูกหยาดดิบของเรามันทำความสงบแล้วก็เอายุบออพออกนอก็ได้เอาอนาปาสติอะไรอันนี้มันก็ยุบเองเหมือนกันใช่ไหมสุนิตโตทำทำมันยุบไม่ได้ะเอยหมดตรงจะผ่าออก ไม่ไม่ต้องสงสัยในกรรมฐานทั้งหลายเป็นอย่างนั้นมาชี้่ดอนตอนยุบให้ดูทันในรมมันยุบของเรารูตรงนี้รงเข้าไปปกครองเองมันดูนี่ก็ได้ลมออกมันยุบเอเดียวกันมาวันเดียวเป็นเดียวในวันเดียว no Because even though you you you're at your nose, your stomach still rising and falling. Amen. n e And even though <coughs> you're <coughs> watching <coughs> the rising and falling, you're, you're still inhaling and exhaling. n e And a a t t e r preference, which you like, which you feel most suitable. Yeah. Even o r g y o u r not. In my nose, it's l o c k e d ะมัเคยเห็นว่าเส็นเดเรมันมันเห็นง่ายกว่าจมุกมันมันรองข้าวอบกรอบสะดวกมากเท่าไหร่เห็นง่ายกว่าเขาตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นอะไรมันก็เป็นอนาปางกัน เจติคนขาถูกตรงนี้เราตรงนี้บางคนก็บอกตรงนี้ถูกบางคนบอกตรงนี้ผิดบางทีว่าตรงนี้มันผิดตรงนี้มันถูกไปแย่งกันเปล่าๆมันเดียวกันไหนไม่ยุบไม่ฟองเลยนะ <laughs> <laughs> คนถือถือมันยุบเองมั้ยเนี่ยหายใจเขามันก็องเลยขอขยุ้มให้จบ ก็ อ, อกอิด เ, เราคิดอย่างนี้ว่านี่แม่มนมาหาส ม, มุทรนะหน้ามหาส ม, มุทรนี้มันมาจากแม่น้ำานน้อยดเล็กมันไหลมาคนอาทิติ์ทางเดนมันมารวมมาหาส ม, มุทรตงนั้ น, นเราทำธรรมฐานเหมือนกันทาจิมมตให้สงบเอานี้เอาอันนี้เหมือนกัน ผนที่สุดมันก็ให้มีความไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแม่น้าทั้งหลายที่คองน้อยคลองใหญ่มันก็มารวมหมาสมุมดเหมือนกันมันมาจากที่ไหนก็ช่างมันเถอะมันรวมหมาสมุดเราทำกรรมฐานนี่เพื่อให้จิตสงบเพื่อให้มันไม่ยึดมั่นถือมั่นในกันห้านี้อันเดียวกันเป็นอันเดียวกันไม่ต้องทิดข์มาก ใครเห็นนี่มันง่ายกว่ากับเามี่ไปได้เห็นนี่มันง่ายกว่าก็เอานี่ไปได้มันถูกเจดิตของเราแต เขาพอใจไหมนั่นเป็นวิธีที่ทํำเฉยๆนี่อย่างคนเกิดมาน่ะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็มันเกี่ยวกับการของชีพของคนเราชอบอะไรไหมเราชอบทํางานเป็นอาชีพหรือเราชอบทํานาหรือชอบทําสวนนั่นแต่เราจะดีของเราจะชอบอะไร ทำไปเพื่อได้อาหารมากินให้มันอิ่มท้องเลียนขีดเป็นเมื่อไงทำกรราฐานเหมือนกันก็จะเอาที่นี่ที่ไหนก็ช่างเหมือนเดิให้มันเป็นทางคนทุกข์เหมือนกันเป็นอาชีพเรื่องอาชีพใดเหมือนกันคนทุกข์ได้เหมือนกันก่อนนั้นเราเกิดมามันมีอาชีพมันชอบทางไหนชอบทำเป็นช่างไม้ช่างปูนชอบเป็นการตการอย่างี่ยหรชอบทําไร่ชอบทํำนาก็เอา ทั้งหลายก็เอามาเลี้ยงชีพเราให้มีความเป็นอยู่พอการทำกรรมฐานหลายหลายอย่างอะไรมันถูกจดิตของเราเชิญดวงห้างใจให้ดูนี่มันถนัดดีสงบดีมันไงี่เอานี่ก็ได้อันนี้ทำาได้สงบบางทีเราอายุหนอฟองหนอนี่ก็ได้ในจิตมันต้องสู่ความสงบอย่างพอแต่ความึ่งอย่างไม่สงสัยเราจับจุดมันนะมั่งเลยจร ผมผ่นมวนแเมียทับร่มแล้วอยู่ไม่ได้เมียทับร่มเนี่ลบไปหม่ไหวแล้วนุ่งผ้าผมคิดว่าบางทีกับฝ่ายนี้ให้ใจลำบากอ่ใช่มั้ยไกับกับฝ่ายนี้อาการมันหายไหมใช่ปิดก็ได้ Yeah.